ร่วมเทิดทายองค์ราชันวรการ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 เป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่นั่นผู้ใหญ่บ้านอยู่ก็ต้องตกใจนั่นพอวันแรกที่ไป ไปตามคนไม้ช่วยดีมั้ยอย่าช่วยช่วย มีอะไรจะให้ฉันทราบมากกว่านี้ไหมคะผมค่ะพี่หมอแขรู้จักคุณผมแนะนํา ที่คุณจะมาเล่นตลกได้นะคะคุณก็ขอเชิญออกไปนอกอนามัยของฉันได้แล้วค่ะ เล่นไทล่ะเล่นจนได้เรื่องอ่ะนะคุณยายใครจะคิดว่าคุณ กูจะมีอะไรที่ชั้นควรจะรู้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับที่ ทางผ่านของคนที่หนีคดีมาแล้วก็ จับเด็กเป็นตัวประกันเมื่อวานเนี่ยรู้แล้วทําไมไม่ ถ้าเราจะไม่ได้รับๆกับเฮ้ยใช่ๆๆๆสวย หมอนั้นก็เป็นอย่างที่ไหนว่านี่ <laughs> สวัสดีค่ะครู 5 ค่ะครูทุกวิชาค่ะวิชาอะไรเหรอครับทุกวิชาค่ะยก ตอนนี้สอนทุกคุณจะได้มีเวลาพักบ้างนะขอบคุณค่ะเอาละ ป.4 แทนครูเมตตาที่ ที่กำลังโดยเฉพาะที่เรียกกันว่าอย่าง พอเชื่อล่ะนั่นเอาครูสาวๆตาปล่อยไปหลายคน มันจะจบปริญญาตรีปีนี้แล้วนะครับ เขาเริ่มต้นก็บอกว่าจะจัดปัญหายาเสพติด ฉันเองก็ยัง ทลายกำแพงใจให้อภัยให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติด จะทําใครกินก็จับหรือยังไงให้จริงจังนะสิจ๊ะแม่แล้วจะ จะทุบตีแล้วมันก็พากันหนีไปมั่วสม ฟังแล้วปวดหัวใจจริงๆเลยจ้ะเงินเราก็เล่นงานคนขายสิจ๊ะแม่ แต่...เรา... นี่แกบายถือใครยายหวันแกกับแม่แค่นั้นหรืออย่างไรสองเขายังดีกว่าหนึ่งไม่ใช่ละคะแม่แล้วลุงกำนานหรอพอจะนับเป็นคนที่สามได้ไหมพี่กับกันเขาก็ไม่ชอบอายาบ้าท็อบเท่าไหร่หรอกงั้นได้สามแล้วเห็นไหมจ้าแม่ค่อยค่อยคิดให้ดีเดี๋ยว 4,5,6 คนวางมาเดินสายอัดอัดกันเข้ามาแล้วเห็นมั้ย โยมแม่ก็เต็มให้ด้วยเข็มร้อยตะไลเนี่ยดูยังไงพี่จ๊อดชอบจังเลยฮะหาซิ มีอะไรกันครับไอ้จ๊อดไอ้เอิงถึงเวลาไป ทำไมเดินหน้าบู่เป็นตูดกลับมาอย่างเงี้ยชัญญะเสียท่าพวกมันตาม พอเราเข้าไปดูอยู่ทางนี้มันก็ส่ง อ๋อสวัสดีครับคุณพยาบาลเดินผ่านไม่ทักสักคำเลยค่ะอ๋อ ช้าๆๆคุณแคร์ครับช้าครับคุณแคร์เอ่อ เลดี้ฮูค่ะๆอ่ะไม่มี อัยท่านน่ะไอ้ป้าเปียกไม่ไปหรอกพี่อ๋อตาเปียกค่ะแฟบๆนิดๆค่ะอ๋อค่ะมีอะไร ไปเลยยายวุ่นวายกันจริงๆพี่ปออย่าเพิ่งไปข้าบอกเองแล้วใช่ ตังกลางคืนก็ไม่ค่อยกลับบ้านยายก็หายบ่อยๆกลางคืนก็ไม่ค่อยกลับ Thank you. คําพังใจให้อภัยบริษัทไทยรุ่งยูเนียนคาร์จำกัดมหาชนผู้เลิกยาเสพติดถ้า นามผู้แสดงบีดังวรการเจริญดีไปนี้อาทรภาธิภัตนะทินดาเกษรีเปรมกมลโชติกาสถีณธีระ แลเฉลิมพลสิริประเสริฐศักดิ์ชนทหารอาสาควบคุมเสียงอาทรภ Thank you.